สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในบทเรียนจากสุภาษิตครั้งที่43เรื่องจงระวังเรื่องการล่วงประเวณีตอนที่4พระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้นะครับอยู่ในพระธรรมสุภาษิตบทที่6ข้อ27จนถึงข้อ29ครับพระธรรมสุภาษิตบทที่6ข้อ27จนถึงข้อ29โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าผู้ชายจะหอบไฟไว้ที่ปกของเขา โดยไม่ให้เสื้อผ้าของเขาไม่ได้หรือหรือผู้ใดจะเดินบนฐานที่ลุกโคลงโดยไม่ให้เท้าของเขาถูกไฟลวกได้หรือบุคคลผู้เข้าหาภรรยาของเพื่อนบ้านก็เป็นอย่างนี้แหละไม่มีผู้ใดที่แตะต้องนางแล้วจะไม่ถูกกลับโทษพี่น้องครับพระคมภีตอนนี้เป็นอุปมาอุปไม้ที่มีความสำคัญเปรียบเทียบกับความหนักหนาสาหัสและกาลังเตือน ถึงพลังยิ่งใหญ่แ ห, ห่งการทำลายล้างที่เกิดขึ้นกับผู้ชายครับถ้าหากว่าผู้ชายคนนั้นล่วงประเวณีตกลงไปหนีความบาปและกับดักหลุมพรางของมารซาตานพี่น้องครับบาปของการล่วงประเวณีนี้นั้นเป็นบาปหนักเป็นบาปจะเรียกว่าหนักหนาสาหัสครับเป็นบาปที่ส่งผลร้ายแรงเพราะฉะนั้นอุปมาอุปไมยของพังผีต่นนี้ก็เปรียบเหมือนกับไฟครับ ความร้อนแรงความรุนแรงของมันความพลังแห่งการทําลายของมันเนี่ยก็เหมือนกับไฟและไม่ยิ่งไปกว่า น, นั้นนะครับนอกจากพลังแห่งการทําลายผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่อมาเนี่ยนะครับเรียกว่าทาั้งผลลัพธ์ทางตรงผลลัพธ์ทางอ้อมนะครับรุนแรงทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ขวานศิษยนั้นกําลังเตือนผู้ชายครับกําลังเตือนผู้ชายเราอย่างนี้ครับผู้ชายเหมือนผมนี่แหละครับก็จะต้องระวังเพราะว่า บาปแห่งการล่วงประเวณีนั้นถือว่าเป็นบาปที่ส่งผลไวแรงทั้งต่อตัวเองต่อเพื่อนบ้านนะครับและต่อสิ่งแวดล้อมครอบครัวของเราทุกอย่างกระทบไปหมดพี่น้องครับอันตรายของการมีชีวิตที่มีเพศสัมพันธ์นอกการสมรสคือการสมไฟไว้ในอกพูดง่ายๆว่าอย่าเล่นกับไฟครับ เพราะเป็นไปนไม่ได้เพระมุทีพระพูดชัดเจนเป็นไปไม่ได้ที่ผู้ชายจะหอบไฟไว้ที่อกของเขาโดยไม่ให้เสื้อผ้าไหมมันไม่ได้อยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นคําถามที่อยู่ตรงนี้คือเป็นคําถามที่มีคําตอบชัดเจนว่าไม่มีทางใครจะหอบไฟไว้ที่ที่หน้าอกเขาโดยที่ไม่ให้เสื้อผ้าเขาไหมไม่มีทางหรือใครจะเดินบนฐานที่ลุกโลง โดยให้เท้าของเขาลวกเดินนี้ไม่ใช่เป็นการเดินแบบเล่นกลนะครับเป็นการเดินแบบแตะๆเร็วๆนะครับอันนี้หมายความว่าปูดง่ายก็คือว่าเราเดินบนถะกองฐานโดยที่ไฟจะไม่ไหม้เท้าเป็นไปไม่ได้เดินธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นนี่คืออุปมาอุปไมยที่แสดงให้เห็นถึงความจริงว่ายังไงก็ตามเขาไม่สามารถหลีกเลี่ยงจากผลกระทบหรือ side effect ของความบากเรื่องการล่วงประเวณีได้พี่น้อครับเป็นความตึงเครียดที่ส่งผลต่อชีวิตของคนที่ชีวิตของเขานั้นลองไปเล่นกับไฟดูก็จะพบว่ามันจะไหม้เพราะฉะนั้นอย่าลองครับชีวิตของเขาจะไม่สามารถอยู่เย็นเป็นสุขจะไม่มีความชื่นบานไม่มีความสงบและจะลุกลี้ลุกลน ร้อนเป็นไฟตลอดเวลาพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนที่เข้าหาภรรยาของเพื่อนบ้านพระภีพูดครับบุคคลที่เข้าหาภรรยาของเพื่อนบ้านก็เป็นอย่างนั้นแหละและไม่มีผู้ใดที่แตะต้องนางแล้วจะไม่ถูกปรับโทษคนที่หมกมุ่นอยู่กับความบาปเช่นนี้นะครับมันเกิดจากความคิดเมื่อวานนี้ผมได้พูดไปแล้วนะครับเกิดจากความคิดความปรารถนาและท้ายที่สุดนั้น ก็นำไปถึงความบาปมันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆแต่มันเป็นกระบวนการมันมีพัฒนาการของการนำนะครับไปสู่ความบาปนำไปสู่การทำบาปพี่น้องครับถ้าเราเห็นปลายทางจะเป็นยังไงนะครับผมเชื่อแน่ว่าผู้ชายทุกท่านทุกคนที่มีสีิปัญญาก็จะไม่ทำเพราะว่าจะนำความเดือดร้อนมาถึงครอบครัวของเขาและในที่สุดครับ ตนเองนั้นมีเพียงความสุขชั่วครั้งชั่วคราวและกลับถูกไฟลวกไม่ตัวเองเสียหายทั้งชื่อเสียงเสียหายทั้งตัวเองเสียหายทั้งครอบครัวและทรัพย์สมบัติก็เสียหายและที่นากไปในที่สุดนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนที่ล่วงประเวณีอันตรายรุนแรงมากนะครับและ มีบางคนครับอาจจะแย้งว่าเนี่ยเรื่องทางเพศเป็นเรื่องของความต้องการตามปกติตามธรรมดาของมนุษย์ที่พระเจ้าให้กับเราเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ต้องไปคิดมากนะเราต้องไม่ไม่ต้องระมัด ร, ระวังอะไรนี่เป็นเรื่องทางเพศเป็นเรื่องของดรายนะครับเป็นเรื่องของการแรงขับทางเพศซึ่งเป็นเกิดขึ้นจากการเนื้อหนังเกิดขึ้นจากฮอร์โมนเพราะฉะนั้นเรามีสิทธิ นะครับเรามีสิทธิ์ทุกอย่างที่จะใช้มันเหมือนกับการกินอาหารนะครับถ้าเราหิวนะครับพระเจ้าประทานอาหารหลากหลายชนิดให้เราตามแต่ที่เราจะเลือกกินเพราะฉะนั้นพระเจ้าประทานสุภาพสตรีนะครับผู้หญิงให้กับผู้ชายเพราะฉะนั้นผู้ชายก็ทําอะไรก็ได้อย่างนั้นเหรอครับไม่ใช่บางคนบอกว่าเรามีอิสระภาพในการที่จะเลือกกินอาหารประเภทใดก็ได้ใช่ครับนั่นคือกติกาที่พระเจ้าให้แต่สําหรับการ มีความสัมพันธ์ทางเพศนั้นไม่ใช่ครับพระเจ้าให้ความสัมพันธ์เพศระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงเท่านั้นคนเดียวเท่านั้นนะครับเราจึงไม่มีอิสรภาพในการเลือกผู้หญิงนะครับไม่มีอิสรภาพในการที่จะเลือกมีความสัมพันธ์ทางเพศกับผู้หญิงคนไหนก็ได้อันนั้นผิดครับบางคนก็บอกว่าพระเจ้าให้ความรื่นรมทางเพศมาเพื่อที่เราจะมีความสุขกับ ความสุขทางด้านร่างกายกับผู้หญิงที่เราชอบใครก็ได้อันนั้นก็ผิดเหมือนกันพระเจ้าให้ความรื่นรมทางเพศเพื่อที่เราจะมีความสุขนะครับทางด้านร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณเพราะอะไรครับเพราะว่าเรานะครับมีความสุขมีความช้ำนทางเพศกับผู้หญิงเพียงคนเดียวสิ่งเหล่านี้ครับเป็นความผิดอย่างใหญ่หลวงเป็นง้มเข้าใจผิดอย่างใหญ่หลวงครับไม่ว่าจะเป็นเรามีสิทธิ์ใช้มันนะครับเหมือนกับการกินอาหารเราเลือก นั่นก็ผิดเราอิสระภาพในการที่เราจะมีความรื่นรนทางเพศกับใครก็ได้นั่นก็ผิดพราถามว่าทํำไมถึงผิดครับเพราะว่าผิดกติกาของพระเจ้าคนเหล่านี้ลืมไปนะครับว่าพระเจ้านั้นเป็นคนวางกฎและกติกาให้ลูกของพระองค์อยู่ในกฎอยู่ในกติกาใครก็ตามที่อยู่ในกติกาเขาจะได้พระพรและพระสัญญาของพระเจ้าที่มีต่อคนที่รักษากติกาอยู่ในกติกานั้นก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเป็นพระพรที่ยั่งยืน มั่นคงตลอดไปเป็นนิดเพราะฉะนั้นสุภาษิตนะครับเตือนเราถึงอันตรายในหนทางที่อยู่ข้างหน้าไว้ล่วงหน้าไว้ก่อนเพราะฉะนั้นจึงไม่มีข้อข อ, อ้างหรือข้อแก้ตัวเมื่อเราเดินตกไปเพราะหนึ่งจากมันเป็นกระบวนการเพราะหนึ่งจากมันเป็นการเตือนไว้ก่อนแล้วและชี้ให้เห็นถึงอันตรายความร้ายแรงร้ากาและพลังแห่งการทาลายล้างที่ยิ่งใหญ่มากที่มีอานาจสูงของ บาป ก, การล่วงประเวณีมีคนเปรียบเทียบนะครับว่าเหมือนกับระเบิดดินาไม้เลยทีเดียวที่เหมือนไฟที่อยู่ในตัวที่เขาจะเผาถูกเผาผลาญลุกลามจนซ่อมไม่ได้จนไหม้เสียหายในที่สุดเพียงครับในพระธรรมหนึ่งโครินบทที่หกเราจะพบว่าคริสจักรเมืองโครินนั้นพยายามโต้แย้งเพื่อปกป้องหาเหตุผลให้กับการทำบาปของตัวเองเรื่องของการล่วงประเวณีนะครับเราจะเห็นนะครับ หนึ่งโครินบทที่หกข้อสิบสองจนถึงข้อที่ยี่สิบเราพบว่าอาจารย์เปาโลอัครสุเปาโลนั้นได้ทําให้พวกชาวเมืองโครินเห็นชัดเจนว่าร่างกายของผู้เชื่อนั้นเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นวิหารของพระเจ้าฉะนั้นเราจึงไม่สามารถที่จะเอาวิหารของพระเจ้าอันเป็นที่สถิตของพระองค์ที่บริสุทธิ์นั้นไปนแลกเปลี่ยนกับสิ่งที่เป็นมนทินไปเกลือกลั้วอยู่กับสิ่งที่เป็นมนทิน ที่นี่พูดชัดนะครับว่าท่านไม่รู้หรือว่าร่างกายของท่านเป็นอวัยวะของพระคฤิสเมื่อเป็นเช่นนั้นจะให้ข้าพเจ้าเอาอาวัยวะของพระคฤิสมาเป็นอวัยวะของหญิงแพทย์สยาได้หรืออย่าให้เป็นเช่นนั้นเลยพี่น้องครับชัดเจนมากครับว่าเราไม่สามารถจะเอาวิหารนะครับก็คือร่างกายของเราอันเป็น ท, ที่สถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์มาแลกเปลี่ยน เกลือกรว่วอยู่กับสิ่งที่เป็นมลทินได้พี่น้องครับพ่พีตอบไปผู้หญิงนี่ครับว่าท่านไม่ใช่เจ้าของตัวท่านเองพระเจ้าได้ท่งซื้อท่านไว้แล้วด้วยราคาที่สูงเหตุฉะนั้นท่านจงถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าด้วยร่างกายของท่านเถิดท่านไม่รู้หรือว่าคนที่ผูกพันกับหญิงแพศยาก็เป็นกายเดียวกันกับหญิงนั้น เพราะพระเจ้าได้ตร <Yeah. S 1> ัสว <ção> ่าเขาทั้งสองจะเป็นเนื้อเดียวกันพี่น้องครับการที่เราไปมีอะไรกับหญิงแพทย์ยาก็เท่ากับว่าเราเป็นเนื้อเดียวกันกับเขาเราไม่ต่างอะไรกับเขาคนที่ผูกพันอยู่กับหญิงแพทย์ยาก็จะเป็นเนื้อเดียวกันแต่แต่คนที่ผูกพันกับองค์ผู้เป็นเจ้าก็จะเป็นจิตใจอันเดียวกันกับพระองค์พี่น้องครับตรงนี้แหละครับเป็นเคล็ดลับครับถ้าเราจะอยากจะจิต ผูกจิตใจของเราไว้กับพระองค์อยากจะเป็นจิตใจเดียวกันกับพระองค์อยากจะรู้น้ำพระทัยของพระองค์เราต้องมีใจผูกพันกับองค์ผู้เป็นเจ้าโดยการเข้าเฝ้าพระเจ้าอย่างสม่ําเสมอโดยการอธิษฐานอ่านพระวจนะของพระเจ้าอย่างสม่ําเสมอนี่คือเบสิกพื้นฐานที่จะต้องเตือนเราตัวตนของเราทุกวันบ่อยๆเพื่อที่ว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นจะเป็นโคมสองเท้าเป็นสว่างในมันคาของเรา การมีอยู่ของความต้องการทางเพศนะครับไม่สามารถใช้เป็นข้ออ้างที่จะตอบสนองความต้องการนั้นอย่างผิดผิดนอกกฎเกณฑ์กติกาของพระเจ้าพี่น้องโปรดจำให้ดีครับการที่เรามีเซ็กส์ดรีฟหรือการที่เรามีแรงขับเคลื่อนทางเพศนะครับไม่สามารถใช้เป็นข้ออ้างหรือข้อแก้ตัวที่จะตอบสนองต่อความต้องการนั้นอย่างผิดผิดและนอกกฎเกณฑ์ของพระเจ้าการที่เราจะรักษาชีวิตของตนให้บริสุทธิ์ก็คือเราจะต้องมี ความสัมพันธ์ทางเพศกับคนที่พระเจ้าเตียมไว้กับเราเพียงคนเดียวเท่านั้นอามน